อะเชิญส่งการบ้านเลยคนน้อยๆได้โอกาสพอดีเมื่อวานก็มากับเพื่อนรอบแล้วครับผมส่งการบ้านในลักษณะของภาพรวมครับมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมดูอยู่บ่อยๆก็คือดูเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของกระผมในแง่ของมานะทิฏฐิครับที่แฝงกับมาในรูปของความคิดหรือว่ามนโนกรรมครับเขาเห็นมันบ่อยขึ้นเท่าที่สติปัญญาพอจะมีะครับ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 เวลาเข้ามานั่งในห้องนี้มันจะเกินธรรมดา <c oughs> เป็นไงจริงๆแล้วมันไม่เรือกถามอะไรด้วยครับแต่ว่ามันมันก็มีติดลึกๆแต่แว่ามั่คคำถามที่จะออกไปมันดูออกไม่จิตติดอยู่ดูออกไม่จิตไปติดอะไรอยู่เหมือนมันติดอยู่ครับให้ดูแค่นั้นพอละไม่ต้องอยากหลุด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 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะหลวงพอ่อวันรุ่งขึ้นนะคะก็รู้สึกเหมือนตัวเองเห็นนิมิตนะคะ<ม>คือมันเห็นเป็นแสงเป็นสี<ม>อะไรเงี้ยแล้วจริงๆหนูก็เป็นเด็กวิทย์ใช่ไหมคะหนูก็จะอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริง<ม>หรือไม่จริงอีกใจหนึ่งฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็เคยบอกอ ว, ว่าพวกนี้มันไม่ใช่สิ่ง<ม>ที่เราภาวนาเพื่อพวกนี้<ม>ใช่ไหมคะมแต่ว่าเราจะเห็นว่าใจเรามันอยากดูมากๆอยากเห็นอีก<ม>เรารู้สึกเหมือนกับแบบว่าใจเรามันไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วอะค่ะมันเป็นคนอื่นรู้สึกแบบนั้น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 อยู่ที่ฐานมีอยู่ที่ฐานมันทำให้เราดูวจิตไ ม, ไม่เป็นไ ร, นไรนะ ถ, ถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวจะบอกให้โอเคครับขอบคุณครับเซ <c oughs> มเบ้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่หน้าคล้ายๆกันนึกว่าศิลปินนึกว่าเซมเบ้เอา้าวมีใครเชิญเชิญคุณติดเพ่งนะคุณนะเพ่งไว้แรงไปกรรมสักกณ์หลวงพอกับผมเป็นครั้งแรกที่มา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 แต่ถ้ามีงานยังต้องทำอยู่อะไรเงี้ยก็นะออยังไม่นิพานไปยังดำรงชีวิตอยู่อีกช่วงหนึ่งแล้วก็ความสุขที่รุนแรงนะจิตมันจะค่อยๆ ค, ค, คุ้นเคยมันจะค่อยๆสงบราบคาบลงมานะมีความสุขที่ปรนะนีตชุ่มฉ่ำอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะดีนะัคุณภาวนาสติของคุณดีคุณนอนหลับคุณก็รู้สึกได้ละ